พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าทอดผ้าป่าสร้างพุทธชยันตี เออนั่งประจําที่คณะสัตธธายาธิยามโยมเสียงส่วนอื่นให้อยู่ในความสงบซะก่อนนะเสียงไม้ทั้งหลายนะเสียงหวักโอโหลทั้งหลายให้อยู่ในความสงบเดี๋ยวหลวงพ่อจะมีอะไรจะพูดให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะงานวันนี้เป็นงานอะไรนะ เ, เราจะต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนศสัตธธายาธิยาโยมที่มาร่วมงานในวันนี้ขณะนี้หลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินถวายที่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่นั่งเป็นหัวแถว จะได้แสดงความคิดเห็นในงานของพวกเราในวันนี้นะอันดับแรกที่หลวงพ่อได้พูดว่าอาหารใส่บาตรที่อาหารใส่บาตรพวกเราต้องรู้เจตนาของผู้ที่มาทำบุญบางคนก็เตรียมอาหารเกือบทั้งวันทั้งคืนพร้อมลูกพร้อมหลานมาเพื่อจะถวายบาดครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในเมื่อใส่ตักบาทแล้วนะเนี่ยก็จะจะให้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ได้ฉันนะมีเจตนา แต่ถ้าหาว่าเอาขึ้นมาแล้วอพอตักบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการตัดอเอาอาหารขึ้นมาใส่บาดเอามาถวายพระเนี่ยไม่สมศักดิ์ศรีและไม่สมเหตุการณ์ไม่สมเรื่องราวเนี่ยผู้ที่ใส่บาดเข้ามาก็ตำหนิเอ้คณะกรรมการเอาอาหารจานวนที่เราใส่บาดไปไหนนะ้อทําไมไม่ขึ้นเอามาถวายพระสงฆ์ดูๆแล้วมันไม่เหมาะสมเลย คล้ายๆว่ามันก็แปะวในจิตใจทําให้จิตใจผู้มาทําบุญต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเราไม่ควรจะทําบุญเพราะไปทําบุญตักบาตรแล้วก็ให้ทายกเขากินทั้งหมดเอาไปถวายพระ ส, สงฆ์นิดหน่อยเท่านั้นเองต่อไปเราไม่ต้องเอาไปถวายก็เลยอดทั้งพระ ส, สงฆ์ด้วยอดทั้งคณะสัตธาญาติโยมด้วยนีน่แหละหลวงพ่อมองเห็นมองไกลขนาดนั้นนะคณะสัตยาญาติโยมนะแต่ไม่ใช่หลวงพ่อในขีตนีทีเนียวนะ ก็พร้อมที่จะแจกแบ่งให้ทั่วถึงกันเรื่องอาหารการบริโภคสัพเพสตตาอาหารฤทธิการสัพพสัตว์ทั้งหลายเป็นจุด้วยอาหารแต่ถึงยังไงในเมื่อใส่เข้าใส่บาทลงมาแล้วนะต้องเลือกนะเขามเาเลือกเลือกค่ะนี้รู้จักไหมของดีๆของที่ดีแล้วก็เลือกเลือกเลือ ก, อกถวายใส่ถาดใส่อะไรเมื่อถวายพระสงฆ์จํานวนเหลือมันก็เลือกก็ไม่หมดอาหารตั้งเยอะแยะไปทั้งหมด เราเลือกอาหารคณะพระสงฆ์เดี๋ยนี่ยี่สิกว่าองค์เอ่อออกมาสักห้าถาดสิบถาดถวายพระสงฆ์จากนั้นก็เป็นของศรัทธา ญ, ญาติโยมเออแต่หากว่าเราไม่ได้เลือกสัก่อนเออขยุ่งขยุ่งยกมาให้เลยเนี่ยอาหารอะไรก็ไม่รู้ถาวายพระสงฆ์พวกเราคิดดูซิว่ามันถูกต้องไหมเหมาะสมไหมเนีพุทธศาสนิกชนทําอย่างนั้นไม่น่าจะถูกนะเออหลวงพ่อเมืองหลวงพ่อไปที่กรุงเทพวัดสวนแสงธรรม เขาเอาถวายมาทหารเป็ดเต็มห้องศาลาอย่างนี้แหละสุด ล, ลูกกระตาแล้วกันแต่อาหารเจหลงพ่อบออ้ยจะไปรับอาหารได้หมดได้ไดยังไงรับเพียงไม่ถึงครึ่งแล้วก็บอกเอ้ยศรธาย ญ, ญาติโยมถ้ารับอาหารทั้งหมดเนี่ยมันก็คองจะนโนระหลายชั่วโมงเอาเธอขนาดนี้ก็พอแล้วล่ะเออเอาออกไปซะจำนวนที่พระไม่รับพอรับไม่ไหวมันมาก ออพอตอนเย็นเขาเป็นพวกที่ตักอาหารมากขะหน้าม้อยออพอตกตอนเย็นมาหลงพ่อก็ได้ยินเสียงกระซุบกระซับมาหลวงพ่อมันพิจารณาดูที่เราพูดไปเมื่อเช้าเนี่ยไม่น่าจะถูกว่ะพอตกตอน เ, ออเย็นมาอีกหลวงพ่อเลยประกาศอีกทีนีงเออศรัทธาญาติโยมที่หลวงพ่อพูดไปเมื่อเช้านี่เอาอาหารออกไปน่ยมาพิจารณาทบทวนดูแล้วไม่น่าจะถูกต้อง เพราะว่าอาหารอยู่ในถาดแต่ละถาดนี่ขนาดปลาทูและปลาแห้งเนี่ยก็ยังเลี้ยงเออขนาดผักยางได้ก็เลี้ยงขนาดกล้วยเนี่ยก็เลี้ยงขนาดผ ล, ลไม้ก็กเลี้ยงใส่ถาดแสดงว่าผู้ที่มาทาบุญ อ, อ, อยู่ในบ้านของเขาเนะ่เตรียมทั้งวันทั้งคืนเพื่อลูกเตรียมพร้อมลูกพร้อมหลานที่จะมาทาบุญกับหลบพ่อกับคณะสงฆ์แต่พอมาถึงแล้วไม่ถึงพระสงฆ์เนะ่เอาออกไปซะ ผู้ที่เขาทำทั้งวันทั้งคืนเน่จะมีความรู้สึกอย่างไรมันแป้วในใจเออทำไมอย่างน้อยก็ให้ผ่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์ไปก็ยังดีออถ้าหากว่าพวกเราทำอย่างนี้ต่อไปเราก็คงจะไม่เอาไปมากอย่างนี้หรอกคงจะไม่จัดให้ดีขนาดนี้ เ, ออเพราะว่ามันไม่ถึงครูบาอาจารย์ไม่ถึงพระสงฆ์ที่เราทำมามาทำคราวทบุญคราวนี้ จุดไปสงค์ของเราคือถวายพระสงฆ์ให้ครูบาอาจารย์ได้ฉันแต่ทีนี้ยังไม่ถึงเอาออกหมดเลยต่อไปเราคงจะไม่ทําอย่างนี้หรอกเอาไปสักนิดหน่อยก็พอแล้วแหละยถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรผลนี้สวดพวกเราทั้งหลายคิดดูสิอดกันทั้งพระอดกันทั้งโยมทีนี้เพราะอะไเพราะศรัทธามันหมดเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านีนะ้พวกเราต้องคิดนะหลวงพ่อสอนหรือบอกเราให้พวกเราได้คิดพุทธศาสนิก นิกชนไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความคิดแล้วล่ะพวกเราจะทํำยังไงบริหารจัดการไปยังไงมีตโรโลกโหโมคณะไม่ได้เรื่องนะหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นนะ่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้ฉันมากแตฉันเพียงจานเดียวหน่อยเดียวเองเต็มเพราะอีมเสร็จแล้วก็หลวงพ่อกัเนี่ยถิ่กับเอามาเก็บไว้เนี่ยก็เอาแจกคณะสัทธาญาติโยมผู้อยู่ใกล้ๆหรือพวเอาไปแบ่งกันอยู่กันกินเนาะนะหลวงพ่อกับฌานทานมื้อเดียวเท่านั้นแหละก็จบเลยและก็ว่าพ่งนี้มาอีก อ่าเราก็มาก็ชันอีกก็ยังเก่านั่นแหละอ่แต่ที่นี้บางคนไปบางแห่งขนของขึ้นใส่รถของที่ใส่รถของที่ตักบาตนั่นแหะในพระวินัยของพระให้ฟังเอาไว้นะท่านอนุสาสนะและคณะศสัตา ย, ยาติโยมนะเมื่อภิกษุกเมื่อเขาใส่บาตตักบาตแล้วนะภิกษุฉันอาหารที่ค้างคืนเมื่อประเคนวันนี้เราไปชันวันพรุ่งนี้ปรับอาบัติปาจิตติ ศีลขาดไปข้อหนึ่งของพระนะรับอาหารไว้ค้างคืนเออคือรับประเคนในวันนี้เราไปฉันวันพุ่งนี้ไม่ได้เมื่อรับประเคนวันนี้ฉันในวันนี้และก็จบวันพุ่งนี้มีอะไรต้องฉันใหม่คือท่านไม่ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องอาหารแต่รับประเคนเพสัชเภสัตชเภสัชทั้ง5คือเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเพสัชทั้ง5้าะจัรับประเคนฉันได้เจ็ดวันถ้าหาเกินเจวัน ยังเก็บไว้อยู่ปรับอวบอนิจกีปาเจตีเอกเป็นโทษอกีกศีลขาดไปข้อหนึ่งเอกอันนี้แหละคือพ ร, พระวินัยของพระสงฆ์น ะ, ะถ้าหลวงลพบตาไม่พูดอะไรให้ลูกหลานได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษา ล, กลูกหลานก็คย่ยโอ้ยหลวงพ่อยุ่งเหยิงกับการอยู่การกินไม่ใช่นะลูกหลานนะหลวงพ่อเองอยากจะให้ทําให้มันถูกต้องตามคํานองทคลองธรรมถ้าว่าหลวงพ่อไม่พูดใครจะพูดวะในช่วงนี้นะหลวงพ่อพูดได้เลยนะ ถ้าหลวงพ่ออินไม่พูดหาคนพูดยากนักของอย่างนี้นะถ้าหลวงพ่อพูดพูดตามศีลตามธรรมตามหลักวิธีทำวินัยตามหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะถ้าไม่เชื่อก็ถามท่านอนุศาสตร์ดูก็ได้มีธรรมหาป ร, รียนทั้งนั้นอนุศาสตร์นะมหาเหรียมหาป ร, รียนหลายประโยคนะที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่พออินพูดเปนผิดไหมในพวกเราถามและก็วันนี้เป็นวันที่วันที่สิอ มิถุนายนพุทธศักราช 2,559 ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งพวกเราจะได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจะสร้างพระพุท ธ, ป, ทธ ป, ป, ปฏิมาพุทธชยันตีผมกอได้ยินนะพุทธชยันตีก็คือเมื่อปีที่แล้วพวกเราได้ร่วมกันว่าพุทธศาสนาครบ 2,600 ปี นับทั้งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้หรือว่าพระพุทธเจ้าประสูตธ์นะอันนี้หลวงพ่อก็ยังไม่ทราบในประวัติการนะแต่ก็เมื่อผ่านที่ผ่านผานมาหน่วงพุทธชยันตีคือพระพุทธโลกพระพุทธศาสนาครบ600ปีอันนี้ท่านก็สร้างขึ้นมากันเน่ยพระพุทธโลกองค์นี้ให้กล่นให้พระพุทธรูปหก0้ปี พ, พุทธศาสนา600ปี แต่สร้างขึ้นมาเจ้าอววาะสมภารท่านก็ได้มรณะภาพลงไปตามอายุสังขารของท่านท่านก็คงจะไม่อยากจะตายหรอกท่านอยากไม่อยากจะมรณะภาพหรอกพระท่านยังไม่เสร็จแต่จะทำยังไงได้ล่ะท่านีท่านก็ได้มรณะภาพลงไปพอลูกหลานมาทำทำคนหนึ่งเป็นคนคิดลูกหลานเป็นคนทำพวกเราเ อ, อยู่เบื้องหลังเป็นคนทำมันก็ไม่เหมือนคนคิดเท่แรกนะ่ะทนี้ พอทําก่อนไปก็ไม่เสร็จอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นเวลาหลายปีจากนั้นท่านผู้การผู้การของเราเสหน่วยของเราเนี่ยนะตระกูลลูกหลานเมืองอุดรก็เลยเสนหน่วยเสนหน่วยแต่พอท่านท่านที่เป็นผู้การแล้วก็ยังบ้ารเรียกท่านเสียน่วยเฉพาะมันติดปากนะแต่ตามที่จริงท่านเป็นเป็นนายพลแล้วนี่เป็นผู้การทหารแล้วนี่เป็นผู้ใหญ่ในจังหวัดอุดรของพวกเราท่านก็มองเห็นว่า จังหวัดอุดรของเราเนี่ยมันยังมีจุดนี้ขาดตกบกพร่องอยู่พวกเราก็ควรจะมาร่วมมารวมกันจัดการให้เต็มคือทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างให้จบจบไปซะก็ไปนิมนต์หลวงพ่อมาหลวงพ่อก็เห็นว่าเออเป็นประโยชน์ต่อเมืองอุดรเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในละแวกนี้จะได้มากราบมาไหว้เพราะเป็นพระบุกมองดูเป็นพระโลหะ อย่างนี้หาได้ยากอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลยิ่งพวกเราจะได้มาร่วมมารวมกันทอดผ้าป่าสามกีเนอรคณะสัตยาติโจมลูกหลานเนอคนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันแต่หลวงพ่อก็คงจะสมคบเหมือนกันนั่นแหละพอมาเห็นแล้วก็น่าจะช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะนั้นวันนี้ก็ได้มาร่วมกันอันดับแรกก็ได้ ถวายไหวพระถวายพระตาหารเมื่อถวายพระตาหารแล้พระสงฆ์จัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อห น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมธนาให้พอดนะเมื่ออนุมโมธนาให้พอดพระสงฆ์ก็จะฉันพระตาหารจากนั้นพวกเราก็ลงไปรับทานอาหารตามวัตยาศัยพวกกขนมขนมที่ถวายพระสงฆ์ที่ตักบาตรจะใส่ถุงแจกกันก็ได้หรือจะแบ่งกันกินก็ได้นะเจนี่เป็นหน้าที่ของพวกเราคณะสงฆ์ยกให้นะ ยกให้คณะสัทธาธิษฐาโยมให้เฉลี่ยกันไม่ใช่ว่าเอาไปขายไม่ได้นะสัพเพสัตตาอาหารริทิกาสัพพสัตทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารออกองทัพต้องไปด้วยท้องพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่ด้วยกันมามากมากทีนี้กันนะมีปากมีท้องโดยกันเพราะฉะนั้นให้เฉลี่ยกันอาหารการบริโภคถ้าหาว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะะั่นแหะเป็นศิลปเป็นธรรมอยู่กันอยู่ด้วยกันร่วมเย็นเป็นสุกนะคณะสัทยาธิษฐโยมลูกหลาน แบ่งอาหารกันถ้าถึงพอทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะยังค่อยขึ้นมาทอดผ้าป่าอย่างที่โคศกได้พูดว่าได้แตง่งกันละเท่าไรบ้านต้นผ้าป่าใครได้ต้นเท่าไรไม้เลขที่เท่าไรอย่างที่หลวงพ่อได้ยินได้ยินนะก็ขึ้นมารวบม า, มารวบรวมกันว่าจะได้เท่าไรแต่จุดมุ่งหมายก็คือนี่แหละพระพุธทธปฏิมาองค์นี้ละแล้วก็ซ่อมแซมวัดที่ตรงไหนสี่สมรดทุดโทม เห็นไหมเนี่ยที่ทางขวาของมือของหลวงพ่อเนี่ยที่ริมที่ริมฝาผนังนะไม่รู้มันจะพังคืนลงเมื่อไหร่ของไม่รู้ศาลาหลังนี้นะตัวนี้ก็ต้องได้ซ่อมอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นมีหลายหลาอย่างแหละวัดวาศาสนามันต้องได้มีการซ่อมแซมนั่นแหละสมรู้ชดโศมแต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันนะพอใช้มานานๆเห็นไหมเดี๋ยวก็ฟันหลุดเดี๋ยวก็ตาฝ้าฟางเดี๋ยวก็หูตึง เออมีอะไรต่อมีอะไรอันนี้ก็เหมือนกันนะวัดวาศาสนาที่พวกเราได้ใช้มานานมาก็อย่างที่นั่นจํารุดทษโมจมจองได้ซ่อมไร้แซมเป็นธรรมดาวันนั้นพวกเราจะทํายังไงไดนะ้ถ้าซ่อมไม่ไหวก็จะทําไงก็ต้องพังมันทิ้งนะออมันซ่อมไม่ไหวถ้าหากว่าพอจะซ่อมไว้ก็หยุดยาซ่อมแซมเอาไว้เพื่อได้ใช้ในพระพุทธศาสนาตลอดนานเท่านาน อตอนนี้ไปพระ ส, สงฆ์จารย์ธรรมโนาให้พร น, นักเทนิเนอรับพร อ, อุทิศสวนกุศลเนอะรนานทีพวกเราจะได้มาร่วมมารวมกันและถวายพระทหารกับพระ ส, สงฆ์เป็นจํานวนมากอย่างนี้มันใช่ของหาได้ง่ายพวกเราตักบาตรใส่บาตรลงไปน่ะข้าพเจ้าได้ใส่บาตรครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในคราวนี้ครั้งนี้ก็ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเป็นปรัง ให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าถ้าตกทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความโชคยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทอินฮะอันนี้ก็คือให้พวกเราตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานอ่าอย่างนั้นเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรอนรับผ่นหน้าที่นี้หน้ายะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคล พวกเราจะได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามกีเพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธชยันตีสีโสพลอุดมมงคลมิ่งเมืองโอ้ชื่อยาวล้วเกินนี่วะนี่แหละพวกเราจะได้ร่วมกันสร้างเมื่อแต่องค์พระจริงๆ ก, ก็ยังไม่เรียบร้อยนะคณะสาสัตธาโยม ยังมีแตกมีร้าวอยู่เพราะนั้นพวกเราจะต้องได้ร่วมกันแล้วก็เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะให้พระของเราตากแดดตากฝนโดยที่พวกเราไม่ได้ทำที่มุงที่บงังอันนั้นก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกัน เ, เหมือนกับเราไปตากแดดตากฝนมันเป็นยังไงนะถึงจะเป็นถึงจะเป็นโลหะหรือ เ, เป็นพุทธปฏิมาก็เป็นสถานที่ถือว่าเราเค า, ารพเป็นศักการะ เราก็ควรจะทําให้ที่มุงที่บางให้เรียบร้อยนะเพราะนั้นวันนี้พวกเราจะได้มาร่วมมารวมกันอันดับแรกก็พวกเราจะได้สมาทานสิ่งคือสํารวมรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เหมือนกับเราเจะไปรับของที่มีคุณค่ารับเพชรดินจินดาหรือรับพระไตรปิฎก เหลือวันรับ พ, พุทธปฏิม า, าพวกเราก็จ่องชําระพานผานของเราเนี่ยผานเงินพานทองจากนั้นเราก็ต้องใส่ผ้ากรรมัมมดีใส่ข้างบนผ้ากัมมดีสีแดงเพื่อรองรับพระธาตุและพุทธปฏิมาเลยสองของที่มีคุณค่านี้ก็เหมือนกันนะพวกเราจะมาทำทำบุญในวันนี้ก็ เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะฉนั้นพวกเราก่อนที่จะถวายผ้าป่าสามคัคคีพวกเราควรจะชําระกายวาจาของเราซะก่อนคือรักษาศีลห้าซะก่อนให้บริสุทธิ์ซะก่อนจากนั้นพวกเราจะได้ถวายทานอันนี้สงแห่งการทานก็จะไหลทะลักเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราคนะณะทาญาติโยมลูกหลานเะน้อข่าวนี้อย่างน้อยใครมีส่วนร่วมกันคนละมากละน้อยไม่ว่ากัน แต่หลวงพ่อก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะเตรียมไว้เหมือนกันนะที่มาส่วนร่วมในการทอดผ้าป่าในคราวนี้ครั้งนี้นะโอฟังท่านมธบ24ของเราพร้อมกับคณะบริจาคในคราวนี้ครั้งนี้ 2,32,3132 บาทอธิโมธนาสาธุ เอาขึ้นมารับเลยแลได้เลยนะแต่นั้นเอาของมาไปนับเลยนะช่วยๆกันนับนะเราจะได้รับรู้รับยอดอันดับแรกคือเราต้องการยอดเร็วที่สุดนะ เ, เพื่อเราจะได้สมทบเหมือนออกไปเลยไปนับเลยนะเออเอาเข้ามาเอามาเอามาเข้ามายกเข้ามาเลยจะนี่เอายกเข้ามาเอา้าฟังฟังนะคณะนะ่านะจะได้ยอดยองฟังนะที่นี่นะ หลวงพ่ออินนี่ไม่แต่บอกไหหมูท่าบุญท่าท่านพระหานุโออิีิท่าบุญอโยเอกนะหลวงพออ่ อ, พจ อ, งพอจะอ่านให้ฟังนะวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2559คณะสงฆ์และคณะสัตายาติยมวัดป่านาคำน้อยคือวัดหลวงพ่ออินถวายเนะขอร่วมทอดผ้าป่าสามกีสร้างพระพุทธชยันตีสีโสพอุดมมงคล มิ่งเมืองนะณวัดสามกีวันารามบ้านรงแขงอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนเงินสองแสนบาทอเอานั้มทนาด้าโลกหลานเนะี่ยหลวมข่อรวบสมทบสร้างพราใหญ่เหมือนกันนะสองแสนบาทนี่เอาไปเอิอเอา้าฟังๆนะคณะสั ท, ทา ย, ยาติโยมโลกหลาน หลวงพ่อจะเล่านิทานให้ฟังนิทานเรื่องหนึ่งนะให้ฟังฟังถ้าลูกหลานไม่อยู่ในความสงบจะไม่เล่านะเออพราไม่ไม่รู้ว่าจะเล่าให้ใครฟังญาติโ ย, ยมก็นั่งคุยกันใชนหหลวงพ่อจะไปเล่าให้เสาสลาฟังก็ใช่เรื่องอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นพวกเราถ้าอยากจะฟังนะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังเอออยู่ในความสงบจะไปคุยกันนะถ้าหาว่าคุยกันหลวงพ่อจะไม่เล่านะ ถ้าพวกพวกเราอยู่ในความสงบจะเล่าให้ฟังออนิทานไม่ใช่นิทานประลัมประลานะเป็นนิทานมาในครั้งพระพุทธเจ้านะออฟัง อ, อ, อย่าคุยกันเอาหลวงพ่อหยุดได้ไหมหยุดนะหลวงพ่อคอยฟังพวกเราว่าอย่าคุยกันนะให้อยู่ในความสงบนะออสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถี พร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในบ่ายวันหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลท่านก็หายไปนานไปตั้งเ็ดวันไม่ได้เขามากราบพระพุทธเจ้าแต่วันนั้นพอตอนบ่ายพระเจ้าปเสนทิโกศลก็เลยคิดถึงคิดถึงพระพุทธเจ้าพองานเสร็จแล้วพองานเสร็จแล้วก็รีบไปเลยไปกราบพระพุทธเจ้าอยู่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหาร พระพุทธเจ้าถามว่ามหาบพิษทำไมวันนี้มาผิดเวลาและก็หายไปนานหลายวันมหาบพิษไปที่ไหนจึงไม่ได้มาที่วัดป่าเชตะวันพระเจ้าประเจนที่โกศลกราบทูลว่าพระข้าพระพุทธเจ้าไปขนสมบัติของเศรษฐีได้เจ็ดวันไปขนสมบัติของเศรษฐีเศรษฐีตาย ประกาศนะแล้วว่าไม่มีญาติเศรษฐีไม่มีญาติไม่มีลูกไม่มีทายาทข้าพระ อ, องค์ประกาศแล้วไม่มีทายาทข้าพระ อ, องค์เลยได้เตรียมเกวียนห้าเล่มไปขนเอาสมบัติเศรษฐีมาไว้ในท้องพระคังขนถึงเจวันพึ่งเสร็จวันนี้พระเจ้าค่ะในเมื่อเสร็จแล้วข้าพระ อ, องค์ก็ได้มากราบพระพุทธเจ้าไี่แหละพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่ามหาบ่อพิษเศรษฐีคนนี้เนี่ย เขารวยมาแล้ว7 7็ชาติอันนี้อันนี้เป็นชาติที่เจ็ดของเขาเขารวยเป็นมหาเศรษฐีมีเงินตั้ง0โกดนะไม่ใช่น้อยนะแปดสิบโกดแต่เศรษฐีคนนี้เป็นคนขี้ตนีทีเหนียวมากไม่เคยใช้ของเลยนะตั้งแต่ของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่เคยใช้เลยแล้วก็เป็นคนที่รวยมากถ้าว่า80โกดก็คื อ, คอสิร้อย เออสิบาทเป็นร้อยสิบรเป็นพันสิบพันเป็นหมื่น10บหมื่นเป็นแสนสิ 0,000 เป็นล้าน10ล้านเป็นโกดนะเนี่ยแปลว่าเงิน80ดสดบ้รดเอา10ไปคูณเข้าไปเลยเป็นเงินเท่าไหร่นะเนีเศรษฐีนี่เป็นคนรวยทีเดียวในยุคสมัยนั้นเป็นเงินแท้ๆนะแต่นี้พอเศรษฐีตายไปเนี่เศรษฐีคนนั้นไม่มีไม่มีไม่มีลูกนะ ญาติพี่น้องมาเมื่ออย่ามาอยู่ใกล้โกเมื่ออย่ามาอยู่ใกล้สมบัติของโกหนีให้ห่งางขับไล่สายโสงปว่าตัดญาติขาดมิตแปลว่าไม่มีเลยเในวงสาคานายาตไม่มีในเศรษฐีคนนั้นนะ เ, เศรษฐีคนเดียวนะ่ะแต่ว่าการใช้ของเขาเนี่จะกินข้าวก็กินข้าวไม่ได้นะเสียดายนะกินข้าวหากกินบ้านเห่าหรอกกินข่าเปลนตนอดไปกินข่าวที่มันนักกนะินข่าปลายนะนะ เออเอามาแล้วก็มาต้มข้าวปลายถ้ากินไอ้น้ำผักกลุ่มนะเนื้อเมื่อเนื้อของมันเอาไปขายไปกินอะไรดีนะกินกินน้ําส้มมันก็พอแล้วนะและกินน้ําต้มผักกลุ่มผสมกับน้ำกับข้าวปลายอันนี้คืออาหารเศรษฐีนะถ้าใช้ผ้าก็ใช้ผ้าขาดขาดที่เ้าขายไม่ออกแล้วเอามาให้กูใช้จะไปใช้ดีอะไรอันที่มันดีๆเอาไปขายเอาเป็นเงิน เออเอาของที่นั่นนะพอใช้ได้เอามาใช้จะใช้ดีทำไมเออล่มก็ล่มขาดขาดายานพานาก็โพลก้โถ ท, ที่มันเก่าๆแล้วนะ่ะที่ขายไม่ออกเอามาให้กูใช้แปลว่าเศรษฐีคนนั้นนะ่ะใช้แต่ของที่ปอนๆใช้ดีของที่ว่าเออของที่เลวนะ่ะผลที่สุดคนขี้ตะนีขนาดนั้นก็ตายเหมือนกันนะขนาดสัยตยาดโยมโลกลานพอตายไปแล้วตะนีไม่มีทายาด พระเจ้าประเสนไปขนรับสมบัติอยู่ทังเจเจดวันนะเออพระพุทธองค์พระพระุทธเจ้าตรัสว่านฟังนะทีนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไงกับคนขี้เหนียวนะนะพระทธองค์บอกว่ามหาบพิธเศรษฐีคนนี้นะเขาตายไปเขารวยมาได้เจดชาติชาตินี้เป็นชาติที่เจ็ดต่อนนี้ไปเขาจะไม่รวยอีกแล้วหมดอานิสงส์หมดอานิสงส์ในการทำทำบุญของเขา พญาประสิทธิ์กอสน์กราบโทนพระพุทธเจ้าว่าบุญกุศลอันไหนหนอพระเจ้าค่ะที่ทําให้เขารวยขนาดนี้เออแล้วก็เขาก็ไม่กล้าใช้สิ่งของอีกต่างหากเพราะพระองบอกว่าสมัยหนึ่ง เ, ออเศรษฐีคนนี้เนี่ยเขาเกิดเป็นอยู่ที่กรุงพาราณสีไปเป็นโปโรหิตตาจารย์ของพระเจ้าพมทัศสมัยนั้นพระเจ้าพมทัศเขาจะตั้งองค์ข้ามรีนี่แหละ เป็นผู้กาวสั่งสอนพระราชานะเป็นผู้ดูแลกิจการกฎหมายบ้านเมืองอแทนหูเป็นหูเพนตาแทนพระราชากรุงสาวัดกรุงพระลักษีแต่ทีนี้โปรโหิทธท่านนีนะ้ก่อนที่จะเข้าไปทํางานในเวียงวังตอนเช้านะาท่านก็ไปหากินข้าวในตลาดนะไปหากินข้าวทัดทานอาหารซะก่อนจะค่อยเข้าไปทํางานในเวียงวังนะแต่ทีนี้พระปฏิเจกพุทธเจ้า ท่านอยู่ในภูเขาขันธามาสท่านก็เข้าสมาบัติทั้ง7วันนะเข้าฌานสมาบัติทั้ง7วันจากนั้นพอวันที่7ท่านก็เหอะมาเลยนะเหาะมาทางอากาศโอ้ใครน้อยจะทําบุญกับเราวันนี้นะพระประเจกท่านก็หิวเหมือนกันนะหิวข้าวเพราเข้าฌานสมาบัติจากนั้นท่านก็เดิน ม, มามาก็เดินบิดเทาบัติผ่านตลาดมานะ่ะพอเดินบิดเท้าบัติผ่านในตลาดโปรโหิตรายจาย์คนนี้ก็เห็นพระประเจกพูดให้เจ้า เดินบินทบาทมาเออก็บอกเอ้ยพี่น้องประชาชนลกูกหลานทาั้งหลายใสบาดพระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าบินทบาทใสาบาดนะพวกลกูกหลานเนอะเออพวกชาวตลาดเขาก็ล้มใสาบาดพระประเจกนะเออแต่โปโลหิตตายจานคนนี้เฮ้ยพระประเจกเนี่ยเออไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองลเลยพอ ก, กินข้าวเสร็จแล้วก็ไปตีพงอยู่ในป่านะ ก็ไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเอ่อนี่แหละพอกินข้าวเสร็จแล้วก็ได้อาหารแล้วก็ไปแล้วนี่เออก็ไม่ได้ช่วยประเทศชาติอะไรปุโรหิตตาจารย์เขาก็ไม่ได้ทําบุญเอ่อตำหนิในใจอีกต่างหากนะเออจากนั้นเขาทานอาหารเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปในเวียงวังนะก็ไปทํางานเอ่อเป็นปุโรหิตตาจารย์ของพระเจ้าพราณาศีพอจากนั้นต่อมาเขาก็หมดอายุสังขารตายไปตามปกปติน่นนะเกิดแก่เจ็บตายนะ พ่อตายไปแล้วเขาไปสู่สวรรค์นะพ่อประกาศให้คนทําบุญนะประกาศให้คนทําบุญแล้วก็ไปสู่สวรรค์อ้อจากสวรรค์ลงมามาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย เ, เป็นลูกเศรษฐีใช่ไหมเพราะเศรษฐีกันนั่นแหะทำอะไรรวยมดุดใช่ไหมรวยมุดมั่งมีร่ํารวยมากเลยมีทับทรัพย์ทั้ง80โกรธชาติที่1 น, นะแต่กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะเหตุไร เพราะว่าไม่ใช่สมบัติของตนเองนีฟังกอนนะทีนี้นะฟังจุดนี้นะถ้าผู้ใดก็ตามนะโฉไปทำบุญเนาะไปทําบุญไปสางพายใหญ่เนาะอย่างนี้นะพอไปสร้างเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ทําใช่ไหมล่ะคนที่เขาไปทําเขาก็ได้บุญทีนีตัวเองก็ได้ได้บุญอยู่แต่กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่สมบัติของตนเองนะไม่ได้ ท, ท, าทาดดดดาํานะ ด, ทด้วยมือของตนเองมีแต่ให้คนอื่นทํานอะ่ะ พอ้นั้นหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อชักชวนให้ศรัทธาญาติโยมมาทําบุญนะหลวงพ่อก็เอาจิตุกปรจใจศรัทธาญาติโยมถวายหลวงพ่อเนี่ยทั้งสองแสนบาทเนี่ยจะมาร่วมวันนี้นะหลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าประกาศให้ศรัทธาญาติโยมทำเลยหลวงพ่อไม่ได้บุญเฉลยนะไม่ได้ได้หลวงพ่อก็ทําเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะไมีแต่ให้คนอื่นทําบุญตัวเองไม่ทําอย่าอย่าไม่มันไม่ได้บุญเด้ เพราะอะไเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทําอย่างเศรษฐีคนนั้นละ่ะมีแต่ประ ก, กาศให้คนอื่นทําบุญตัวเองไม่ทำนะเออพอเกิดมาพบนาชาติหนารวยสิดียวรวยแต่กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่สมบัติของตนเองพวกเรากคงจะเคยเห็นนะเออญาติโกโหติกาของพวกเราเออมาขีท้ทิขี้เหนียวนะเออนี่แหละพวกตะกูลพวกนี้แหละเออพวกนีต้ต่บอกให้คนอื่นทําบุญ ตัวเองไม่ทำนะแต่บางคนก็เกินไปอีกเหมือนกันนะมีเท่าไหร่จ่ายหมดเออกินกระทั่งจนไม่มีขายหัวขายควายขายที่ขายนะใช้จ่ายไปหมดอันนั้นแปลว่าเกินไปอันนั้นเออเกินไปเออแปลว่าเกินใช้เกินไปนะแต่บางคนกับที่เหนียวจนไม่ไม่รู้จักใช้น่ะนี่แหละคนที่ไม่รู้จักใช้น่ะเข้าขายนะเข้าขายได้ทําบุญแล้วบอกให้คนอื่นทําบุญตัวเองไม่ทํอ่าเออ กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เขาขึ้นไปตายจากชนะไปสู่สวรรค์อีกไปกันจากนั้นก็นลงมาเกิดอีกรวยอีกเออพอถึงชาติที่7 เ, เนี่ยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพระองค์บอกว่ามหาปพิษชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเศรษฐีแล้วเออต่อเ น, นี้ไปไม่มีการพยากรณ์ว่าเศรษฐีจะไปเป็นอะไรอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์สาราสิงช้างม้าวัวควายหมูบมาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะหมดบุญแล้ว เออเขาท่าอุดมกัหมดเป็นเหมือนกันนะสัตยา ญ, ญาติโยมเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยปีนี้ขยันทนํานาใช่ไหมเออได้ข้าวเยอะปีต่อไปขี้เกียจแค่ไหนไม่ทํากินแต่ข้าวเก่าข้าวเก่ า, ากินไปกินไปข้าวมันก็หมดเองเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทํานาต่อนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้นะอานิสงส์ธาติที่แล้วนะพวกเราจึงได้ดีบได้ดีอย่างนี้ ถ้าพวกเราขี้เกียจในชาตินี้นะชาติต่อไปนะพวกเราจะหมดบุญเลยนะทีนี้นะอาจจะไปเกิดเป็นช้างหมูหมากาไก่ช้างม้าบัวควายก็ได้นะลูกหลานเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาให้พวกเราถึงจะมีมากมีน้อยก่อนทำบุญนะสร้างพระไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่น ะ, ะเป็นบุญเป็นกุศลนะลูกหลานนะคณะสัตาาายาฏยมนะนี่แหละการกล่าวหรือการเล่าได้ทานให้ลูกหลานฟังก็เห็นว่าสมควร หนการนับเงินเสร็จจ ะ, ะอยังเนี่ยถ้าเสร็จบอกนะบอกยอดนะนะที่นี้นะจะไปหาต่คุยกันแล้วนะพวกท่านทั้งหลายพวกซุ้เจ้าทั้งหลายนะข่าวนี้เป็นการร่วมการสร้างพระใหญ่นะพอสร้างมาหลายปีสมภารไม่ใช่ความคิดของผู้หนึ่งผู้ใดนะไม่ใช่ความคิดของพวกเราแต่เป็นความคิดของสมภารที่ท่านมาสร้างขึ้นมาแล้วไม่เสร็จนะพอไม่เสร็จท่านก็ไม่ได้มรณภาพไปท่านมรณภาพไปแนะั้วก็เป็น เออเป็นภาระสาหรับพวกเราเออเมื่อสร้างไม่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงใครมาเห็นก็โอ้สร้างพระไม่เสร็จนเ เ, เห็นเข้าไปแล้วก็ไม่สบายตาไม่สบายใจเพราะนั้นพวกเราจนเนมาร่วมมารวมกันเพื่อสร้างพระใหญ่แต่ถึงยังไงขอข อ, ขอฝากไว้กับขหบดเีเมืองอุดอรด้วยเน้อถึงจะทอดผ้าป่าผ่านไปแล้วนะถึงจะทอดผ้าป่าผ่านไปแล้วถ้ามันยังไม่เสร็จนะ หลวงพ่ออินขอฝากไว้กับข้าฮาบรีเมืองอุดอรนะผู้ที่มั่งมีสีสุกล่ลํารวยควรจะแบ่งบวงแบ่งมาสร้างพระบ้านโรงเข็งให้เสร็จเสร็จไปซะ <PE AR> C <IA> <c <oughs> เพื่อจะเป็นบุญเป็นคุศลเป็นศักดิ์ศรีของเมืองอุดรของพวกเราเมื่อ <c oughs> er สร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะ <c oughs> เป็นของเมืองอุดรของพวกเรานี่แหละนะขอฝากไว้กับท่านผู้ นี่มั่งมีศีสุขในเมืองอุดอรของพวกเรา<ม>กราบถวายหลวงพ่ออินถวายที่มาในในเป็นประธานสงฆ์ในวันนี้สองหมื่นบาทนะหลวงพ่อมอบให้กับผ้า ป, ป่าเลยนะให้บุญสองเด็งนะันลูกหลานเนาะพวกน่ะยอมผู้การท่านยังใส่ใจนะท่านจะหาสมัครพักพวกมาช่วยอยู่ในน่้นะวะ ที่ท่านเป็นประธานฝ่ายคารวาสในวันนี้นะเออตะกอนเมืองอุดอรเขาก็เรียกว่าเส้น่วยเสยหน่วยเออพอได้เป็นผู้การแล้วก็จกว่าเสหน่วยอีกเหมือนกันนะนะเพราะติดปากนะแต่ตามไม่จริงพลตรีอำนวยจุนนนอย่างผู้บัญชาการบลทนทหารบกที่24นะแ่เมืองอุดอรของเรานะแต่สมัยสมัยหลวงพ่อมาอยู่กับองค์หลวงตานะ ปีสองพสมัยนะั้นหลวงพ่อจำไม่ผิดท่านผู้การกับไปวัดป่าบ้านตาดนะผู้การเชื้อสุขขีสมัยนะั้นนะเชื้อสุขขีนะพลตรีเสื้อสุขขีไปไปเกือบพุ่อาทิตย์นะไปทําบุญที่วัดป่าบ้านตาดนะหลวงพ่อเป็นพระน้อยพระนม เ, เป็นพระน้อยอายุเพียง24ปีปีนั้นนะเพราะว่าบวชมากรมายจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดเอาพรรษาที่5นะที่วัดป่าบ้านตาด ไปว่าอายุ25ปีมาอยู่บ้านตาดนี่แหละเอ่อบ้านตาดเนี่ยท่านผู้การเสื้อสุขีนะเอ่อเป็นผู้การสมัยนั้นเอ่อพ่อของอาจารย์จั ก, กรพงศัยยพันธ์พ่อครูเมิกนี่ยนะเป็นจ่าชานนะเอ่อจ่าชานเป็นเป็นจ่ากองร้อยสมัยนั้นนะอ่ะเออเวลาผู้การจะเข้ามาในกรมเนี่ยพวกเอ่อเอ้ย จ่าชาเนี่ยเป็นจ่ากองร้อยก็บอกทหารเดินตรงเคารบผู้การเหอนกันเถอะทุกวันวันเลยแต่วันนั้นผู้การเสื้อไปกินเหล้ามาอย่ากไรก็ไม่รู้สิไม่ใส่ชุดทหารหมาบาทนี้พราะไม่ใส่ชุดทหารมาจ่าชาที่เป็นจ่ากองร้อยก็ไม่บอกให้ทาาหารยืนความเคารพใช่ไหมก็ยืนเฉยสิผู้การก็นั่งรถผ่านรถเดินผ่านไปเฉยพอผ่านไปแล้วท่านก็นเรียก ฮะใครเป็นจ่ากองร้อยเรียกมาเพราเรียกจ่าชานไปแตนี่ฮะวันนี้ทําไมไม่เรียกทหารให้เคารพผู้การผู้การไม่ได้ใส่ชุดทหารมาครับถึงเราจะแก้ผ้ามาเก่าหรือเกาก็คือผู้การเชื้อเข้าใจไหมถึงเราจะแก้ผ้ามาก็คือผู้การเชื้อสุขีอย่างเก่าเลยเพราะฉะนั้นต้องให้ทหารแสดงความเคารพ โอ้ยถ้าไม่ถ้าไม่แสดงความเคารพนะขังนะเพราะแต่นี่เสกขังจากกองร้อยไอ้ต่างหากทีนี่โอ้ยตั้งแต่บัดนั้นมาถึงจะแก้ผ้ามาผมก็จะเรียกเรียกทหารแสดงความเคารพเนะลยได้ฟังๆในเรื่องลูกหลานลวงพ่อยังจำไม่ลืมแต่สมัยหลวงพ่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มหลวงพ่อยังนื้อขำอยู่นะเพื่อขำจ่าชานมานะเนี่ยจาชานไม่เรียกทหารให้เคารพผู้การเพราะอะไรเพราะผู้การไม่ได้แต่งยศมาวันด้านนั่นนะัน เออใส่ชุดมาธรรมดาก็เลยไม่ได้เรียกทหารเป็นไงได้ยอ ด, ลยดแล้วยังเออเอาม า, าได้แล้วโอ้ฟังฟังนะทีนนะปัจจัยผ้าป่าของพวกเราในวันนี้ที่รวบกันทอดผ้าป่าสามัคคีนะรวมได้หนึ่งล้านห้ามื่นแปดพันสห้าิบสี่บาทยี่สิบห้าสตัง์ แล้วก็มีดอลล่าร์อีกหนึ่งพันกับสดอลล่าร์เราคิดว่าเราอยากจะได้สองล้านทำไมมันได้ไม่ถึงไม่ถึงได้ล้านกว่าบาทเองพอไม่ยมผู้การพอไม่ขนาดนี้ยังไม่พอเนาะเอาเอาอีกสักรอบหนึ่งวะอาเสียเมืองออรอนไม่มาวะแถวเนี่ยฮะวางกันคนละแสนละแสนนแป๊บเดียวเพื่พอนะ เงินหนึ่งล้านเนี่ยเอากับอาเสียคนละคนละแสนเท่านั้นแหละเออเออก็ได้ล้านแลยเด็เเออเอาเอาอีกนะเอาเอาเอกสักรอบหนึ่งนะลุกหลานนะเอพอพราเรามาทั้งทีได้ทำบุญละวันนี้เพราะว่าพวกเราเสียสละแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์นะไม่ได้ทาการทำงานอะไรเออเอ า, เอาให้ร่วมรวมพัอเอาอีกสักรอบหนึ่งนะแต่จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหวังของเราเนี่ยก็คือ อยากได้เงินประมาณสัก2ล้านเป็นอย่างน้อยนะเพ<ร>ื่อจะได้สร้างผ้าให้เสร็จเลยนะแต่นี่ได้เพียงล้านกับ5้าหมื่นเท่านนเองนะน้อยเกินไปหลวงพ่อว่านะได้เท่าไหร่ยะค่อยหาต่อครับยอดหมครับโอ้ทั้งหมดเหรโจมผู้การท่านใจใหญ่นะท่านบอกว่าถึงยังไงจะหาต่ออีกถึงกันนะให้พอจันทะร์นะพวกเราอนุมตนาสาธุพร้อมกันเอาสาธุพร้อมกันสาธุ พรานะ่ะท่านจะสร้างให้ให้เสร็จนะตามความเหมาะสมนะเนี่ยยอมผู้การท่านรับปากท่านมีหมูมีเพื่อนมีหมูมีคณะท่านคงจะบอกในกรมกรองของท่านพวกเราก็นี้นะ เ, เป็นประสงค์ในกรอนก็ช่วยๆยกันนะเน้อเนี่ยพวกข้อฝากไว้ให้มันจบจบให้มันเสร็จเสร็จไปซะเพราะมันไม่เสร็จก็คือมันไม่เสร็จนะทำมันเสร็จไปแล้วก็พูดให้ท่านมรณะภาพตายไปแล้วก็คงจะ คงจะไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าได้อันนี้ท่านก็คงจะโอ้เออพระพุทธรูปยังไม่เสร็จท่านจะว่าอย่างนั้นอีกเหมือนกันนะะนะั่นแหละนะเออแต่ท่านจะไปที่ไหนเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนั่นแหละแต่หลงพ่อว่าเนี่ยสร้างสิ่งของอยังไม่เสร็จท่านเออมรณะภาพไปก่อนเนี่ยท่านก็คงจะเป็นห่วงของท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ที่อยู่เบื้องหลังนะก็ช่วยๆกันนะืลูกหลานนะอะตอนนี้ไปพระสงฆ์จา๋าโนโมทนาให้พรลนะนัทนีนะ รับพรในเสน่หนะอุทิศสวนกุศลอุทิศสวนกุศลต่อบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณะญาติญาติมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรที่พวกเราได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพระพุทธป ฏ, ปฏิมาที่ยังไม่เสร็จนะแต่ก็พร้อมกันก็จะทำสร้างที่มงบังด้วยเพื่อให้พระพุทธรูปของเราอยู่ในที่ร่มเงา ร่มเย็นเป็นสุขนะเมื่อพระพุทธรูปอยู่ในที่ร่มเย็นเป็นสุขพวกเราก็สุกกายสุขใจไปด้วยนะวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลพวกเราได้มาร่วมกันจะหาโอกาสจะนิหาได้ยากนะที่ร่วมกันจะสร้างพระพุทธปฏิมาอย่างนี้นะแต่สร้างที่แรกก็คือร่วมกันสร้างโรงขันสร้างพระนะอันนั้นก็มีอยู่แต่ น, นี่สร้างพระไม่เสร็จเนะี่ย สร้างพระไม่เสร็จแล้วพวกเรามาร่วมกันสร้างเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์เนื้หาได้ยากเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลของพวกเราที่ได้ร่วมกันคนละมากคนละน้อยเพื่อจะสร้างพระพุทธปฏิมาให้เสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ในเมื่อเสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของประเทศชาติเป็นสมบัติของแผ่นดินพวกเราเข้ามากราบมาไหว้ก็สบายใจเห็นพระพุทธรูปสวยงาม อยู่ในร่มเงาเนะนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราทุกๆท่านทีน่มากราบมาไหว้ตอนนี้ไปพระ ส, สงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร น, นันะีเนอ